จุดที่มักเขวหรือเข้าใจพลาดเกี่ยวกับวิพานเรื่องที่3ความสุขกับความพร้อมที่จะมีความสุขความสุขเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งในทางจริยธรรมและพระพุทธศาสนาก็สนับสนุนให้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภาวะที่จะเสวยความสุขได้ในระดับต่างๆมากมายหลายระดับโดยเฉพาะ เน้นให้พยายามบรรลุความสุขประณีตด้านในที่ไม่ต้องอิงอาศัยอามิทซึ่งมีประโยชน์ในทางจริยธรรมมากการมาสุขไม่จำเป็นต้องสนับสนุนเพราะคนคอยแต่จะหมกมุ่นกันเกินพออยู่แล้วแต่กระนั้นก็ไม่สนับสนุนให้ติดพันในความสุขชนิดใดๆเลยยิ่งกว่านั้นพุทธศาสนาสนใจการสร้างความพร้อมที่จะมีความสุขหรือการทาตนให้พร้อมที่จะมีความสุข มากยิ่งกว่าการสร้างภาวะแห่งการเสวยสุขต่างระดับต่างประเภทนั้นเสอีกภาวะพร้อมที่จะมีความสุขนี้เมื่อบรรลุถึงแล้วผู้บรรลุสามารถเลือกเสวยความสุขระดับต่างๆที่ตนเองสร้างไว้ก่อนแล้วได้ตามที่พอใจอันหนึ่งภาวะพร้อมที่จะเสวยสุขนี้เป็นความสุขเองด้วยในตัวและเป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขอื่นทั้งหมดทั้งนี้ เพราะมันไม่มีสิ่งที่เป็นเชื้อมูลของความทุกข์เหลือติดอยู่เลยและเพราะการที่ไม่มีเชื้อทุกข์เหลืออยู่นี่เองจึงกลับทำให้ผู้บรรลุสามารถเสวยความสุขอย่างอื่นได้อย่างดีโดยสมบูรณ์คือทำให้ความสุขเหล่านั้นไม่เป็นทางก่อโทษก่อทุกข์แก่ผู้เสวยมันหรือผู้ใดอื่นได้อีกภาวะพร้อมที่จะเสวยสุขซึ่งเป็นความสุขด้วยในตัวของมันเองนี้คือลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของนิพพาน